แต่ยองน้ลายวันนี้เป็นคนซื้ <c oughs> คอคนทำขึ้นลายติดคออะไนเีเเ <c oughs> สียไม่มีอมไดพักช่ว <c oughs> งนี้กาศหนาวเริ่มมาเยียมอีก <c oughs> ่ขาจะมันจะอะไรนะ่ออากาศเริ่มหนาวนี่ก็แปล mm hmm. ว่าร่างกายเร <c oughs> ต้องพร้อมพออเพราะเขาจะแค่ได้ป่วยพอเมื่อเรามากระจัดทาานแล้นะ ทำให้เราเดือดร้อนคือดึง น, น้ำไฟลมที่เรามีอยู่นั้นสิในใดมีคุณสิ่งนั้นมีโทษในตัวของมันเองตั้งหมดก็จนตัวเราแต่ว่าเออที่เรามองในขณะที่เรามองเรามองผัดแย่ดินใจมันก็รู้เป็นดินไม่ได้เกี่ยวกับตัวเราน้ำมันก็จะเป็นแม่น้ำอุ่นน้องของมัน มันมีกําลังออืปัญหากัวใหม่อะไรอย่างมันใหม่มันจะมีกําลังนมันผ่อนกำลังเหมือ น, น, น, นกัน <c oughs> ถ่าทั้งสี่เราจะมองนภาพจะได้มงางภาพแยเมือเ่อใดก็ตามท่านรวมตัวกันท่าทั้งสีเราพูดถึงเราพูดถึงท่าทั้งสี่ที่มันประชุมรวมกันนอกจากร่างกายของเราจริงก็คือเรกถึงเกินเกิีครอบทุกอย่าง เป็นแหล่งของธาตุทั้งสี่ก็คือดินน้ำไฟและประลมมันประชุมป้องกันเรียกว่าเขือนเมื่อสามอย่างท่านมันประชุมกันมันมีกำลังมันมีพลัง ม, มีคุณค่าแต่ว่าอยู่ในตัวเราเรามองไม่ออกเรามองไม่เห็นว่าตัวเรานั้นเป็นดินน้าไฟลม ก็ได้จํได้จากตำรานเจอคนจริงๆแล้วไม่รู้จักเมื่อมันไม่รู้จัก<ม>ก็เราก็อยู่กันไปต่างคนต่างอยู่เดินเดินยืนเดินนั่งนอนแลตามมาเรียบหมดแล้วก็ อ, อะไรเพราะว่าสติ สติเ่าไม่แข็คนไม่แข่งงวดไม่ต่อเนื่องกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีินั้นโบราณอาจารย์ทันชาลาให้เอาเราผูกมัดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งทํำซ้ำๆมาบ่อยให้ออกอพุโทโธหายจะเขา่าโอ้ท่าจะออกโธอันนี้นเป็นคเครื่องมัดปลอมหายใจเครืองมัดคือมัดจิตมัดใจของขาไว้มันหลักในนั้นออกไปเที่ยว เราทราบหรือไมว่าหนนาทีหนึ่งหนึ่งจิตเราไปเที่ยวคิรอบไปที่ไหนไปแต่ไหนไม่รู้ถ้าเป็นบ้านเราสมมติเป็นบ้านของเราถ้าค้นข้าคนของเอามาต้องอะไรมากแค่วันหนะึงมีไม่กี่คนเราอยู่กันไม่กี่คนบ้านเรายังสงบ ป, ปกรองรงรังร ลงเข้าลงออกคือคนสารพัดแล้วก็ขัดจัดตามความสะอาดบ้านแล้วก็สะอาดสะอานจิตของเราเหมือนกันแต่มันวิ่นเข้าวิ่งไปวิ่งมาหรือร่างกายร่างกายคือบ้านสารพัดจนนับไม่ถ้วนเพราะนั้นคนเราก็เหมือนกับจิตงเราทีนี้มัน ถ้าเอาของไม่ดีเข้าบ้านมันเป็นของเน่าของเสีอเอาเชื้อโรคมันก็เข้าบ้านเราบางก็สกปรปกมันก็มีแต่เชื้อโรค <c oughs> จิตนี้เหมือนกันมันไปนกวาดไปต้อนสิ่งที่เราเอามาเอาไว้ในใจของเราใจของเราถ้ามีการฟองถ้ามีพิจารณาอยา่างดีททุน่น มันเหมือนก็เอาอยาพิษเข้าไปยาพิษคืออะไรขอาไม่ดีอารมณ์ไม่ดีทั้งหลายเนี่ยที่ไหลมาทางตาทางหูทางจมูกล้วก็เจะ เ, เก็บเอาไว้ขอาไม่ดีและสุดท้ายพลออกมาก็แสดงออกมาทางที่ไม่ดีตรงกันข้าเ้าของดีเข้าไปจิตของเราจะได้ของดีเอาง่ายๆเหมือนกับข้าวปลาอาหารที่เรากินเข้าไปในร่างกาย ถ้ า, ากินของหูบของเนา่าของเสียเข้าไปร่างกายของเราก็ได้รับของปูกของเนา่าของเสียสุดท้ายมันก็ไม่รับอย่างที่ดีที่มันไม่รับมันขับขออกมาแต่จิตของเราเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นเราไม่เคยคิดพิจารณาเลยว่าอารมณ์ไหนดีอารมณ์ไหนไม่ดีเก็บหมดเอาไว้ในใจหมดสุดท้ายมันก็อาฟเเดทก็อย่างที่เราเ็นเทนกันอยู่ันนี้เราจะไปโทษใคร แต่เวลามีเรื่องขึ้นมาเราจะไม่โทษตัวเองเราจะไม่โทษปัจจัยภายนอกก่อนนั้นคนนี้คนโน้นสิ่งนั้นสิ่งนี้นสิ่งโน้นปัจจัยหล่าน้ไนไม่เราโทษตัวเองว่าทั้งหมดนั้นเกิดจากตัวเราเองหมืนข้าวปลาอาหารที่กินเอาไปแต่เราไม่กินกั้งแต่ที่แรกมันก็ไม่มีผลอะไรเปรียวหวานมันเค็มมันก็อยู่ข้างนอกมันไม่ได้เกี่ยวกับตัวเราเลยเมื่อเรา้เสพกินเดิม เข้าไปมันเข้ามาสู่ร่างกายเหมือนกันอารมณ์ที่อยู่ข้างนอกอารมดีเราไม่ดีสารพัดที่มีอยู่ของดีของไม่ดีสารพัดถ้าเราไม่เอามาข้างในไม่ผ่านทางูจตูกลิ้นการใจแล้วเราไม่เก็บไม่ยอมให้เขาเข้ามามันก็มีประโยชน์มันก็ไม่มีผลต่อร่างกายของเราเช่นเดียวกันทั้งนี้ก็เพราะว่าสิ่งสาคัญที่สุดก็คือสติ ทำไมไเราบอกว่าสติสาคัญที่สุดเพราะาว่าตราบใก็ตามถ้าใจเราไม่มีสติกากับมันลาบากท่านบอกว่าร่างกายของคนเรานั้นถ้าไม่มีลมกำกับคือลมหายใจเข้าองหายใจออกเข้าไปแล้วไม่ออกออกไปแล้วไม่เข้าร่างกายมนุษย์ผู้นั้นชื่อว่าตายอันนี้คือลม อันแปลว่าลมมีชีวิตมีผลต่อร่างกายทำให้เรามีชีวิตอยู่คือต่อยุตต่อชีวิตเราเองและจิต่ะมีอะไรไปเครื่องต่อมีอะไรไป็นเครื่องเลี้ยงมีอะไรไปเครื่องดูจิตของเรานั้นถ้าปราศจากสติคือขาดสติเมือ่อใดก็ตาม มันไม่ต่างอะไรกับคนตายแล้วภาพให้เรานึกภาพง่ายๆว่าคนนอนหลับนะมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกเหมือนเดิมแต่ปิดมีตาไม่ได้ยินดก็คือไม่มีสติกากับดูแลร่างกายในขณะนั้นซึ่งมันไม่ต่างอะไรคนาตายถ้ามีลมอยู่ตอนนั้นเองลมเปตัวตเรี้ยงถ้าจิตออกจากร่างในขณะนั้นก็คือตายหไหม มีความสําคัญของสติเพราะนั้นสติเนี่ยถ้าใครปราศจากสติเมื่อไรมันก็ไม่ต่างอะไรกับคนตายบางรายแต่ขนาดนั้นเพราะนั้นสติกับลมหายใจโบราณท่านฉลาดเอาส อ, อย่างมาผสมรวมกันให้จับอันนี้เป็นหลักคือเป็นตัวประสานก็คือปุถโธคือคําบริกรรมลมหายใจเขา้าออกมันมีอยู่แล้วเขาดด้าออกแล้วก็สติ สามอย่างสามเสือประสานกันคือทํางานด้วยกันถึงธรรมชาติเราแยกกันแต่จิตเรื่องหนึง่ลงลมก็เรื่องนึง่งปุถโธเรื่องหนึงอันนี้ไม่สามัคคีกันก็อย่างที่เราเห็นเห็นกันเป็นอยู่มันก็มป็นเรื่องทฤษฎีพอคนนึกขึ้นได้ก็เอาปุถโทโอปโุโธก็จะักอาขาดไปจิตก็ออกไปวิ่งออกไปเที่ยวเองอย่ามาขาดไม่ต่อเนื่องสามเสือให้ประสานกันเพราะฉะนั้น สติท่าจะให้มันคงที่เป็นมหาสติจริงๆก็คือที่อยู่ของสติสติคนจะยึดคนจะถือเอาไว้เป็นหลักในการพิจารณาเพื่อมหาสติเรานำไปอยู่ข้างนอกจนมากเกินไปอย่างนี้เป็นที่ยวพูดอย่างไรมัตนต้งยิงบอกว่าให้เราเอาสติขอาเราไปฝากไว้กับกายฝา ก, กาฝากไว้กับเวทนาฝากไว้กับจิตฝากไว้กับธรรมสี่อย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นเบื้องต้นก่อนความว่าย ก, กายคือเพื่อมิจิตลมหายใจปุณโธสามอย่างนี้ได้ในระดับหนึ่งอาจจะชั่วครั้งชั่วคราวรืออะไรก็แล้วแต่เป็นไม่ต้องขนาดไปเอกการตาลมแล้วยกจิตขึ้นมาพิจารณาเรื่องของกายกายในกายคือกายธรรมดาธรรมดากายหยาบก่อนแล้วก็กายในกายให้จิตอยู่เฉพาะอย่างนี้ให้เป็นธรรมชาติ ให้เป็นเรื่องปกติครับธรรมชาติกับเรื่องปกติแปลว่าถ้ามีเรื่องอะไรเข้ามารก็ให้สติเว้นกระหาตัวเราพิจารณาในตัวเราเป็นหลักอย่าไปพิจารณาคนอื่นใน ง, งีน้แล้วจิตจะไปส่องออกมันจะไปดูคนอื่นแตมันจะไม่ดูตัวเองนั่นคือธรรมชาติของมันเรื่องอย่างนี้ถ้าเราไม่ฝึกไม่หัดคือไม่ฝึกนั่นะคือไม่ฝืนธรรมชาติคือปล่อยเป็นธรรมชาติมันก็จะไหลไปตรงนี้มันคืออารมณ์ ไหลไปตามอะไรไหลไปตามสัญญาอารมณ์คือความจําที่มีอยู่จําหนดีจำที่เราจำมาอ่านเรียนรู้อะไรก็แล้วแต่ก็จะ ร, รวมๆแล้วก็คือสัญญาเรียว่าอารมณ์เป็นไหลเข้าแล้วสติมันฝากไว้ตรงนั้นดึงเข้ามาให้มันมีสัญญาอยู่กับกายกายที่เราเป็ น, ยนอยู่นี่จะที่เราทา่องเราบนสาธยายเมื่ออนขยันทุกวันทุกวันก็คืออาการสารสพติดพิจารณาให้กับ คบทวนดุลกายเรียกว่าพิจารณากายเรื่องกายหยาบี่เรียกว่กายหยาบกายในกายกายละเอียดอันต้องอาศัยนิมิตเป็นเครื่องหมายอะไรไม่ว่ากันเอาว่ากายหยาบหยาก่อนให้เข้าใจละเอียดทีทั่วที่ต้งแท้กายที่หนึ่งให้มันช้ำนานเวลาจะตัดอารมณ์ข้านอกออกตัดคือตัดจริงๆเราจะตัดมือชาวอธิบายว่าตัดมันก็จะสั้นลง ตัดอารมณ์ออกตัดออกตัดออ ก, ออกในกายมือกายนี้มันเต็มไปด้วยอะไรเวทนาเดีย๋ยวสักพักมันเรานั่งตรงนี้ยเวทนาก็จะมาเยือนแล้วเพราะฉะนั้นเราอย่าปฏิเสธเวทนาเวทนาเกิดขึ้นให้เรารู้ตั้งอยู่ให้พิจรารณาสิ่งเหล่านี้มันก็จะดับไปโดยอัตโนมัติโดยธรรมชาติของมันให้อยู่กับเวทนาเวทนาขรันั้นเป็นเวทนาอะไรเป็นสุขเวทนา เป็นทุกขเวทนาหรือว่าอุเบกขาเวทนาก็ให้รู้ให้กระจ่างให้ชาติขึ้นมาในใจให้มันชำนานนะเมื่อเราทำชานาน็จะาันหมายว่าสติเราเข้มขนบาเข้ามาเข้สุดท้ายเราก็จะเข้าใจว่าอืมไอ้ที่เวทนานเป็นอะไรเวทนาเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนาและมันก็จะต่อได้ว่าเวทนานี้เป็นเวทนาของกายและเเวทนาของใจ ปุ่งง่ายๆทุกกายหรือทุกใจให้มันแยกออกสุกกายสุกใจด้วยเฉยๆคือวางารงได้คือวางตรงได้อันนี้คือเวทนาก็ให้สติอยู่กับสิ่งเหล่านี้เมื่อสติอยู่กับเวทนาเนนี้ปมันก็จะเลิมกายอืกายที่มีอยู่มันจะลืมจิตมันก็จะจ่ออยู่กับเวทนาจ่อไว้สักพักมันก็จะดับอจิตมันก็จะดับมันดับแปลว่าเกิดความสงบขึ้นมาให้อยู่ความสงบ ตามความสมองประภาพักเดมันก็รู้ตัวในเริ่์มนะครับว่ารู้ตัวก็คือสติกันเองอยากเดินที่เราไม่รู้ตัวมันก็จะรู้ตัวขึ้นมาเรียกว่ามีสติสติมูดสติรับรู้มันก็จะรู้ทันทีว่าอันนี้เป็นเวทนาของอะไรตามที่เรายจำจากที่เราคิดตามที่เราพิจารณาตามที่เราฝึกตามที่เราฝืนเวทนาเวทนาต้องฝืนเวทนาเกิดขึ้น เรืวัตถุนี่ปุจจางบอกไม่ได้สอนให้เราละเวทนาหรือทุกขเวทนาเนี่ยเกิดขึ้นท่านให้เรากําหนดนะท่านเราคิดว่ามันจะต้องละมันให้ได้แต่ัชนะอานัยไม่มีกัชนะมันไม่มีใครละมันได้เพราะมันเป็นธรรมชาติของจิตมันก็จะอยู่อย่างนี้มีทุกคน่จะเคยจะมองเห็นมากเห็นน้อยท่านนั่นเองถ้าใครมีสติทุกคนก็จะมองเห็นมาก เห็นโทษทีคุณของมันอันนี้เดี๋ยวเอาสติประวัติ่าก็เวทนากายเวทนาจิตเขาดูจิตในจิตโดยใช้ว่ามันรู้สึกตัวคิดปรุงอะไรมันแต่งอะไรสังขารนี่เป็นสังขารของอะไรไม่ใช่ครสังขารโลดสังขารทำแต่วันนี้เราก็ยอ่อพู้อมาสังขา ร, ขารมันปรุงแต่งเรื่องอะไรเป็นเรื่องโรคหรือเรื่องธรรมถ้าเป็นเรื่องโรคบอกไม่มีที่สิ้นสุดก็ตัดออก แต่เป็นเรื่องธรรมยิ่งคิดมากยิ่งปงมากยิ่งบริกรรมมากมันก็เหลือแต่อารมณ์อันเดียวเอกกตารมสรุปก็คืออารมณ์หลงนั้นไม่มีที่สิ้นสุดแต่นางแค่แต่วันไม่ทุพสรุปแต่ถ้าเป็นอารมณ์ทางธรรมนั้นมันมีทุพสรุปคือจิตสงบเดอกกตารมนั่นคือเป้าหมายปลายทางแต่ถ้าจิตไม่สงบมันก็เหมือนเดิมทั้ไม่รู้จักหายไปไหนจิตทำยกธรรมะขึ้นในขึ้นมา ธรรมะคือธรรมชาติที่มันเป็นอยู่เรื่องสัจธรรมที่มันมีอยู่รอบๆตัวเราที่เราประสบพบเจอตัางหูต่างตาจมูกหรือกายสัมผัสสด้วยอะไรก็ตามให้โอกระดับชีโคน้องก็มาในขณะนั้นให้รู้ด้วยความมีสติหรือสติกับขับเรือ่องเช่นนี้แรกๆเราคิดพิจารณาอย่างนี้ทีละตัวทีละตัวทีล ะ, ะเรื่องอันนี้คือสติปฐานแปลว่าฐานหรือที่ตั้งที่อยู่ของสติ ท้าไม่งั้นแล้วมันจะไม่อยู่กัสิ่งเหล่านี้เอาเปรว่า ส, สติมันไม่มีฐานมันไม่มีที่อยู่มันก็ไปเรื่ อ, อยไปเที่ยวไปเรื่ อ, ปอยปแรกๆทำอย่างนี้ให้มันชํานานสุดท้ายเมื่อจิตเราเข้าถึงที่จิตสงบแล้วสี่ตัวเนะี่ยมันก็เหมือนกับตัวเดียวกันมันไม่ได้มีหลายตัวพอจิตสงบแล้วยกขึ้นมาอขอึ้นก็รู้สติคือตัวรู้เรียกว่าพูดรู้ สติเป็นผู้รู้คือพุทโธรู้ตัวตัวรู้มันต่างกันก็รู้ตัวด้ื่องไม่สติตัวรู้ตัวตัวสติีตัวพุทโธมันต่างกันก็รู้ตัวขึ้นมาเรื่อสติพิงานตัวเองอะไรก็ตามให้สร้างตัวผู้รู้คือตัวรู้ก็คือพุทโธนั่นเองมันเป้าหมายคือพระอาจารย์ที้วางไว้กับพวกเราต้องอ่านทัฉลาดมากการว่าพุทโธตัวเดียวนะมันท่านบอกว่า ทำอะไรก็สาเร็จจับตัวพุโทโธอย่างเดียวไม่มีอะไรน่ากลัวมันพุโทโธตัวเดียวปราบได้หมดลมหยาบลมกลางลมละเอียดปราบได้หมดจเจลล์ขนาดหยาบขนาดละเอืยดปราบได้หมดมพูดถึงสามขั้นตอนก็เหมือนกันในใจของเราก็เหมือนลักษณะเหมือนกันหมดก็คือหนึ่งห ย, ยาบหยาบธรรมดาปื้อปืนป้นจะเป็นอารมณ์อันนึงเป็นกลางกาง เริ่มละเอียดขึ้นมาหน่อยสุดท้ายคือละเอียดโดนดูดลมหายใจเข้าออกอย่างหายใจอของพวรธรรมดาลมธรรมดาถ้าเรากําหนดลมหายใจออกธรรมดาธรรมดาน่าหายใจเข้ายาวยหายใจออกยาวอันนี้ห ย, ยาบหยาบลมหยาบพร้อมกับตัวรู้ก็คือสติกําหนดเข้าไปเข้าให้รู้ว่าเข้าออกให้รู้ว่าออกอย่างเนี้ยทําให้มันชํานาญก่อนเข้าตรง น, นี้เป็นหลักสติกากับลงไป นี่หยาบยาบสุดท้ายถ้าเราทําำํานาแค่สูบลมหายใจเข้าปล่อยหายใจออกแค่นี้จิตมันก็จะตั้งขมันโดยอัตโนมัติมันจะเป็นขมันอัตโนมัติไม่จิตมันตั้งแล้วไม่ต้องไปทำอะไรเพราะว่าตัวรู้คือผู้รู้เกิดขึ้นแล้วสิ่งทั้งหมดทั้งปวงนี่มันเป็นผัสาทคือกระทบมันจะเป็นเรื่องกายมีแต่นาจิตตั้นงานที่มันมากระทบเป็นกระทบกระบใจถ้าเรามีผู้รู้ คือตัวรู้แล้วมันก็จะรู้ว่าอะไรกระทบกระทบมันเกิดขึ้นอยู่มันตั้งอยู่มันจะดับไปยังไงมันจะรู้ขั้นตอนจนสุดท้ายปลายทางคือดับเพราะฉะนั้นจิตถ้ามีสติเข้มแข็งเข้มแข็งเข้มข้อนอย่างต่อเนื่องแล้วธรรมชาติ้องสติมันจะเป็นอย่างนี้นก็คือรู้เรื่องการเกิดกับการดับให้ดูอยู่อย่างนั้นดูแค่รู้ว่าโอ้นี่เกิด แต่๋ยวมันก็ดับมันก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับขึ้นจิตนั่นเองมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับตลอดเวลาซึ่งต่างกับคนเราการจริงๆนัการเกิดการดับมนุษย์รู้จักการเกิดการดับตั้งแต่เกิดจนตายพูดง่ายๆการเกิดเป็นคนก็คือนี่ก็คือเกิดนั่นเองมันชาติตายเราเกิดมรณะตายคือดับแต่ว่าถ้าพูดถึงชาตากรรมละแล้วระยะเวลามันทิ้งห่าง จนเราเนึกไม่ออกว่าเกิดแล้วจนเข้าใจว่าเกิดแล้วมันจะไม่ตายสุดท้ายก็คือมันเป็นอย่างมันที่จริงก็คือไม่อยากตายมีอารมมาเกิดมาแล้วไม่อยากตายแต่ว่าอยากเกิดนะแต่ไม่อยากตายเออเรายกนี้ขึ้นมาเป็นอันนี่คือธรรมะมีอุปตวตีสีคือกายเป็นาจิตทับยกขึ้นมาเป็นเจนาว่าอมืมนุษย์เนี่ยถ้ามันเกิดแล้วมันไม่ตายมันจะเป็นยังไง เกิดอย่างเดียวนะไม่มีการตายสัตว์เหมือนกันทุกสิ่งในโลกนี้เกิดขึ้นแล้วไม่มีการตายเลยไม่มีการล่มสลายก็คือไม่มีการดับมันจะเป็นยังไงบางคนคิดมนุษย์คนแต่งไปด้วยคนแก่คนเฒ่า น, นอนพวงครางเป็นร้อยเป็นพันปีจะอยู่กันยังไงมันเป็นไปไม่ได้เกิดขึ้นมันจะต้องดับนะแต่ว่าดับเร็วดับช้า ก็คือตายเร็วตายช้าอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันนี่คือการเกิดการดับดูการเกิดการดับของจิตแต่ว่าการเกิดการดับของจิตมันเร็วมากขณะจิตที่เร็วมากๆไม่เร็วเวลยธรรมดาไดม่มีอะไรโลกนี้ไม่มีอะไรเร็วมากไปกว่าจิตนี่แล้วไอ้ที่เรารู้จากเทคโนโลยีทั้งหลายแหลแต่ตรงนี้ไปถึงยุโรปถึงอเมริกาถือว่าเร็วมากๆอย่างน้อยกว่าจิต ยังช้ากว่าจิตเพราะจิตที่มาอัศจรรย์มากๆอแต่เราไม่เคยดูไม่เคยศึกษาไม่เคยไปเจรจาละโมัวจะเอาจิตเนี่ยไปฝากไว้กับอะไรก็ไม่รู้ฝากไว้ว่าสัญญาอารมณ์รูปเสี่ทิศผลิตภัณฑ์ทำอารมณ์มันอยู่ข้างนอกไม่ได้ฝากไว้กับสี่ตัวนี่คือกายเวทนาจิตธรรมเราก็เลยกลายเป็นคนไม่มีหลักไม่มีรอยไม่มีเครื่องยึดขึ้น่งถือขึ้น่เนียว สุดท้ายก็ลเลื่อนลอยอยู่ไปวันวันสุดท้ายเวลามีอะไรเครื่องขึ้นมาเกิดเรื่องไ ม, ม่ว่าจะเป็นเรื่องความโรกรกโผล่ก็หลงก็ดีจตมันก็ไม่ต่างกับตัวเราพอเกิดขึ้นแล้วก็ไม่รู้จักความรกรเกิดขึ้ น, นมรู้โลกก็เกิดโลภะเกิดอยากคน อ, อยากได้อยากมีอยากเป็นเนี่โลภะได้ตอนนี้มีพอได้บ่ายก็ได้ห้าได้ห้าก็ได้สิบอย่างนี้เป็นต้นไม่รู้จากพออย่างนี้โลภะเกิดขึ้นเราไม่รู้จักอ โมหะโทสะเกิดขึ้นเราก็ไม่รู้จักอารแอนนี้คือรากเหงา้าถ้าเป็นต้นไม้เกิดตอนนี้คือรากเหงา้ารากที่ทําให้ต้นไม้ยืนอยู่ได้ในชีวิตมนุษย์เราก็เหมือนกันถ้าเราเข้าใจถึงรากเหงา้าตัวตนที่แท้จริงนก็จิตแล้วจิตมันผูกพันอยู่กับสิ่งเหล่านี้ <c oughs> แล้วก็สิ่งตอนนี้เป็นตัวบ่อนทำลายจิตใจของคนของมนุษย์โลกโลก็ อ, ก อ, อยู่กันแค่นี้อันนี้เราพูดถึงแค่คน ประกอบถึงสิ่งผืนที่มีชีวิตจิตเหมือนพวเราแต่เขาไม่รับรู้สิ่งเหล่านี้พัฒนาไม่ได้คิดไม่ได้อย่างเรามีเหมือนกันหมดแต่คิดไม่ได้อย่างเราเราต้องระวังโอบนั่งยิ่งโกหอน้องเข้ามาเรื่องอยู่เรื่องกายเขาก็มีกายเหมือนกันมีครบทุกอย่างเหมือนเราหมดแต่ทําไมไม่เหมือนกันยังก็ต้องระวังเพราะว่าจิตสําคัญมากมาก ถ้าจิตมันของเราคือความฉลาดของจิตมันอยู่ในระดับใดมันก็จะไหลไปตามนั้นตามขั้นเป็นขั้นเป็นตอนของมันแต่ท่านจิตเราอยู่ดับจางผู้เราทั้งหลายกลับมาอีกก็ไหลกลับมาที่เดิมเหมือนเดิมก็ยังดีอสมบูรณ์อาการสันสอเหมือนเดิมทั้งหมอกลับมาแล้วมันไม่เท่าเดิมแสดงว่าขาต้นแสดงว่ากรรมที่เราทำมามันไม่เหมือนกันซึ่งเราก็เห็นเห็นกันอยู่เราจามาเห็นได้ เบื่ตาหนังธรรมดาธรรมดาแต่ว่าเพราะเหตุว่าเห็นแล้วมันไม่เกิดปัญญาเกิดแต่แค่สัญญาเออรู้ว่านี่มันแค่นี้นี่ยไม่เกิดแล้วมันเห็นมันเกิดแค่สัญญามันไม่เป็นปัญญาแล้วมันเกิดปัญญาแล้วมันก็แสงสงว่างวาบขึ้นมากลางดวงใจอ๋อที่เป็นอย่างไงก็เพราะอย่างนี้โอปนังโกน้องก็ามาหาสติสติมันวิ่งอยู่กับกายเวทนาจิตันอะไรเงี้ยมัน แต่ถ้ามันอยู่กับเอกอารมณ์ได้เป็นกันดีมันก็จะวางอารมณ์ทั้งหมดทั้งปวงมีอยู่นก็จะรู้ทั่วกายก็มีรู้ที่จิตคือผู้รู้เข้ามาเราจะเห็นว่าจิตมันมัเกิดความสงบมันดับอไปง่ายเกิดความสงบนี่มันต่างคนคนนอนหลับคนนอนหลับนี่เขาอยู่กับความฝันก็คือนิมิตตันเองพอจิตมันอยู่กับอะไรตอนนั้นกายมันไม่อยู่กับกายแล้ว เราไดเวทนาเจตธรรมเพราะฉะนั้นภพอื่นเขามีแค่เวทนากายแล้วมีแต่จิตธรรมก็มันจึงละถอนปล่อยวางอย่างพวกเราไม่ได้เพราะทำไมก็เคยสงสัยว่าภพอื่นยกเว้นพระพุทธเจ้าเป็นพระอริยะเท่านั้นที่ไปโปรดข้าเหล่า น, นั้นได้เพราะว่าเขาไม่มีกายอยากอย่างพวกเราเมือ่อมันมีกายอยากก็เหมือนกับปนฝันมีกายกับมัอนจะไม่มี นคือเกี่ยวกักายนะจําได้ไหมรู้เพราะสัญญาแต่ว่ากายอย่างย่างหยาบอย่างพวกเรานะไม่มีเพราะฉะนั้นการที่การละตอนปลวางสักขยาทิฏฐิคือการห้านี้จึงเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นมนุษย์เร า, เราโลกของมนุษย์เราจึงเป็นที่พึงพ้นพัฒนาตนเองเพื่อละตอนป่อยวางธาตสีกันห้าเพราะคนชาติเองเขาไม่มีอย่างเรามีค็เหมืนกับมีในฝันอย่างที่ายฝัน มันก็ได้ส่วนก็มีตัวมีตนเหมือนกับเราแต่ว่ากายแบบหยาบของเราไม่มีมันไม่มีอย่างพวกเราที่เห็นกันอยู่เพราะฉะนั้นการที่เรามีกายหยาบนี่นก็เป็นดีดีอย่างหนึ่งคือเราสามารถทัาทำให้เกิดปัญญาในสิ่งนั้นได้แต่ถ้ามีแล้วก็ไม่ใช้ให้มันเป็นประโยชน์มันก็ไม่ได้ประโยชน์แรงมันก็หมายถึสิ่งอื่นก็นมีกายเหมือนกับเราหนุกหนู ปู่ปาใชครับก็มีเหมือนกันว่ามีกายเอนเราแต่แต่เขาไม่มีอย่างเราคือจิตไม่สามารถฝึกได้เพราะั้นเกิดเป็นคนเป็นมัมนถือว่าโชคดีมากๆในนาฏิกาโนโชคดีนะอย่าไปคิดอยเป็นประมาทคือประมาทก็คือปล่อยสติตละเลยไปวันๆหนึ่งไม่มีหลักไม่มฐานมีเครื่องผูก็มีเครื่องอยู่อย่างนี้ที่ว่าปล่อยชีวิตไปวันๆอย่างนี้พระพุทธเจ้าชื่อว่าเป็นผู้ประมาท ผู้ประมาณก็คือไม่ตางอะไรคนนอนหลับก็อย่างดีหน่อยขึ้นมาแต่ทีจริงผู้ประมาทก็คือคนที่อยู่าาปัสสาวะปกติเขาบอกเหมือนคนตายคนหนักตั้งขนาดนั้นก็คือไม่ได้ประโยชน์อะไรพูดยังไงก็อยู่ไปวันหายใจก็อายใจเข้าเดี๋ยวก็หายใจออกผู้าระมาทเขาบอกาหายใจทิ้งบอกเสียดายวันวันหนึ่งเดีนะหายใจทิ้งหายใจทิ้ง หายใจเข้าหายใจออกไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะนั้นต้องระมัระวังเหมือนกันเพราะนั้นในขณะที่เรามีลมหายใจอยู่ก็ใช้ลมอันนี้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดคือตรงดูลมหายใจเข้าเอาไวาจะออกดูลมเข้าดูลมออกแล้วก็สุดท้ายมันจะเหลืออารมณ์เดียวกับเอกการดาลนเมื่อเป็นลมหายใจมันก็ยกขึ้นมาพิจารณาทาอันใดก็ได้สิ่งใดก็ได้รูปร่างกายที่เรามีอยู่ทั้งหมดเนี่ย มายกขึ้นมาพิจารณาอย่างเนี้คือว่าใช้รูปร่างกายอันนี้พิพจารณาโดยใช้สติอีกครั้นหนึ่งบอกวา่าครูบาอาจารย์นี่เปรียบาว่ารูปร่างกายของเราเนี่ย <c oughs> เปรีเสมือหินรับเมตดตัสติปัญญาคือเมตดท้ารับไปบ่อยมี่อตาลับไปบ่อยมันก็คมคือเม็ดมันก็จะคมมันก็จะแหลมในอันดิจิตเมียเราถ้าใช้ไปบ่อยก็เหมือนกันมันก็จะทื่อได้เพราะนั้น ในหลักการอันนี้มันบอกว่าเมื่อเราพิจารณาธาตุสีกันหน้านี้ไหรือเ อ, อะไรก็แล้วแต่จนจิตมันอ่อนมันลา้ามันหมดกำลังก็ทาความสบใหม่คือฝนใหม่ฝนเม็ดใหม่ให้มันคมใหม่ค่อยๆมาปาดค่อยมาจีบนใหม่ถ้าเราทำมาปาดในขณะที่เม็ดมันยังไม่คมมันก็ไม่ทด้อะไรมันก็มีทื่อๆ เ, นะเราเป็นปาดเปมันก็ไม่ประโยชน์นะสติของเราต้องเหมือนกัน ถ้ามันไม่คมไม่แหลมพอคือมันมีสติปัญญาพอก็ไม่สามารถจะอยากปาดกิเลสปาดหนังปาดธาตุสีกันธาที่มันมีอยู่นี้มันหลุดมันหายให้มันหมดไปไม่ได้นี่นั่เป็นเครื่องฝนอย่างดีธาตุสีกันหน้าเพราะฉะนั้นถ้าใครผลมีดคือสติตัวนี้แหลมรมมากเท่าใดบนเชื่อเป็นวิปัญญาเจยบแหลม มันแหลมคมก็สามารถที่จะทําอะไรก็ได้ฟาดฟันกิเลสตัณหาราคะมรณะทิฏฐิที่มีอยู่ในใจนั้นให้มันลดน้อยถอยลงไปแต่นี้ถ้ามีมีดมันทื่อๆอยู่เนี่ยใครจะไปกลัวมันไม่กลัวอกิเลสมันไม่กลัวหรอกตอนให้ปั่นเข้าไปมือปล่นอยู่ในฟันอยื่ใ้แทงอย่างนี้มันก็ไม่เข้าสติปัญญาเรามันไม่แหลมคมมันก็จะเป็นอย่างนี้นั้นที่เราฝึกราหัดจทุกวันเพื่อต้องการให้ เรากิดสติเปัญญาแหลมคงให้รู้เท่าทันกิเลสก็คือธาตุสี่ขันหะเป็นนั้นที่อยู่เป็นหลักใจจริงๆก็คืออย่าลืมให้มองที่เป็นหลักก็คือสติของเราต้องมีหลักต้องมีฐานที่สติปัฏฐานที่ทั้งหมดเนี่ยก็ค่อยพิจารณาตรงไหนก็ได้ทำมากระทบดูว่ากายอรู้ว่ากายเวทนาเกิดขึ้นอรู้เวทนาดูวจิตอมตะตกแต่รารู้จิตกายเวทนาจิตทำสุดท้ายมันก็จะเป็นธรรมะคือเกิดธรรมะขึ้นมา คือธ ร, รมะคือรู้จักความจริงธ ร, รมะคือธรรมชาติรู้ความเป็นจริงที่มีอยู่เรียกว่าสภาวะธรรมเรียกว่าสัาาสจธรรมรู้ตามความเป็นจริงความเป็นจริงก็แปลว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่อลไรมันกระดับไปนี่นคือความจริงของมันนในทุกสรรพสิงนะแต่ทุกวันเราไม่ได้รู้ความจริงรู้เฉพาะการเกิดรู้เฉพาะการตายแค่นี้มันไม่ได้เป็นองค์รวมองค์ประกอบเป็นเรื่องเดียวกันเรามบางมุมมอ ง, มอ ง, มอ ง, มองแยก ความโลกควเรื่องหนึ่งความโกรธเรื่องก็หลงเรื่องหนึ่งผมงก็เรื่องหนึ่งตาจมูจมกรเรื่องหนึ่งมันไม่ได้รวมกันมันเป็นกายตัวต้นเราเป็เขาเนะี่ยมันจะเป็นที่มาของคนลำบากโดยนั้นถ้าเราเข้าใจสิ่เหล่านี้แล้วก็เป็นเข้าใจไปว่าทั้งหมดทั้งปวงที่เกิดขึ้นกับตัวเราไม่มีใครทําให้เราเป็ น, น้องมีหรือลาบากกระ้อนแซ่ซ่ากระไหน นอกจากตัวเราเองเหมือ น, นกับปลาอาหารก็จะมีกําลังแล้วก็ต้องกินทั้งดืง่มกันเข้าไปถ้าไม่กินไม่ดื่มมันก็มีกําลังว่างชาเราจะไปนทนใครไม่ได้จิตก็เหมือนกั น, นเรียกว่าอาหารของกอายอาหารที่จรงนี่คือธรรมะอาหาก็จะเราไม่เอาธรรมะเข้าไปเลยหรือว่าเอาสติเอาปัญญาเข้าไปเลยอเอสติรรปัญญาที่มีอยู่มันก็เงียวให้มมันก็ลดน้อยทั้งลายคือมันมีกําลังมัาทาอะไรไม่ได้มันทําอะไร กับธาตสีกันธาตุนี่ไม่ได้มันทําอะไรไม่ได้มันต้อมีกําลังเพราะนั้นถ้าเราฝึกเนี่ยต้องการให้เรามีกําลังเพราะนั้นเบื้องต้นมันบอกว่าให้มีความเชื่อในสิ่งเหล่านี้นะให้บุตรจ้าพอเชื่อย่างเดียวยังไม่พอต้องมีความเพียรก็คือพยายามมีแต่เชื่อว่าเออนั่งสมาธิดีแลนะออดีไปวัดดีนะดีเป็นความเชื่ อ, อเฉยๆนี่นเป็นกิจเบื้องต้นแต่ไปวัดแล้วดีแล้วไม่ไป ทำสมาธิปฏิาบัติสมาธิดนะีดีแต่ไม่ทําอ่ะมันจะได้ประโยชน์อะไรการทําบุญดีนะแต่ไม่ทําอ่ะไม่ได้ประโยชน์อะไ อ, อันนี้คือศรัทธาในอารมณ์ตนคือศรัทธาตอนนี้มันไม่เกิดมันก็เหมือนก็ไม่มีกําลังและวศรัทธาเกิดอารมณ์ตนเรามีกําลังศรัทธาศรัทธาความเพียรความเพียรก็คือความพยายามที่สืบ ต, ต่อต่อเนื่องกับศรัทธาตอนนี้มันไม่เกิดศทธาวิญญสติมันจะมาจากไหนมันไม่มี สุดท้ายก็คือปัญญาตัวสุดท้ายตัวสติก็ไม่เกิดปัญญาก็ไม่เกสุดท้ายคนก็เหมือนกับคนคนที่อ่อนแอทําอะไรไม่ได้คนที่อ่อนแอคือขาดสิ่งเหล่านี้เมือ่ออ่อนแอเสร็จแล้วท่านบอกว่าเมื่อขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งในสิ่งเหล่านี้บุคคลผู้นั้นชื่อว่าอินทรีย์บกพร่องคือไม่มีอินทรีย์ความแก่ค่าทางอินทรีย์ไม่มีมันก็จะอ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงสุดท้ายก็เป็นมันเป็นโทษ เ้ามาทางตาก็เป็นโทษเขามาทางหูก็เป็นโทษมาทางปากก็เป็นโทษเป็นโทษหมดเลยเพราะมีกําลังไม่มีความแก่ก้าเรียกว่าอินทรีย์ไม่แก่แก้าเมื่ออินทรีย์แก่ก้าเมื่อไหร่แล้วพละกําลังที่มันมีอยู่ก็สมาที่จะฟาดฟันกิเลสกนาอวมณฑิตในกายขอ ง, งเราเนี่ยอย่างน้อยที่สุดก็เราสู้ได้ถึงไม่นชนะเลยทีเดียวอย่างน้อยก็ แด้ส wow, ู้กันสักตัแต่เราไม่สู้เลยไหวแค่ไหนเหยียบเอาเหยียบเอามันเห็นอะไรก็จับได้ไวเห็นเฉยเลยโดยทาให้เป็นพาดดังมานี้แล้วก็เป็นอย่างนี้มาตลอดเวลาแล้วถ้าเราไม่ลองไปสู้กับมันมันม่ทานที่จะชนะเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราชนะพระสิทนิ์ในนัเหมือนกับชนะตัวเราเองก็คือชนะหูจมูกลิ้นกายใจปอดตัวเองนั่นคือชนะตัวเราเองแต่ถ้าเราชนะคนอื่นเึ่นปาดปานกันฆ่ากัน ด่าทอกันด้วยกายรีดด้วยอะไรก็ดีด้วยจิตก็ดีดวทุจร้ายกันไม่มีตามที่จะชนะเลยมีแต่จะเศร้าจะมองหนักก็ไปอีกไม่เพียเพิ่มเติมไม่เพีงเพิ่มความหนาก็ไปอีกไม่มีบางลงไม่ลดน้อยถอยลงไปการปฏิบัติธรรมของเราทั้งหลายก็เพื่อสิ่หรับนี้เพื่อชีวิตจิตแจของเราดีขึ้นเบาบางมันจะเดิน สติมากขึ้นจิตใจก็จะเบาไปเบาไปเบาไปกายก็บวกลกายก็บาจิตก็บวกลเบาไปเรื่อยๆเนี่มีวรระในขณะเดียกันถ้าจิตมันยึดหมดมันถือหมดมันเอาหมดมันก็หนักหนักแล้วมันพันแข่งพันกาไปไหนไม่ได้สุดท้ายก็อยู่กับโลกมันเลยรู้จักธรรมมันรู้จักแต่โลกโลกโลกโลกอย่างเดียวโลกมันไม่มีที่สิ้นสุดแต่ธรรมนั้นมีที่สิ้นสุดอย่างไรก็เถอ อย่าง้รก็ตามโลกกับธรรมนะ่ะมันก็ต้องอยู่ด้ยวยกันเป็นของคู่กันมีโลกก็ต้องมีธรรมมันอยู่อย่างนี้โอปทุทเทศทันเขียนเอาไว้หนังสือเรื่องหนึ่งถ้าใครได้เคยอ่านไปหาอ่านซะนะมันบอกวากอก่าสิ้นโลกเหลือธรรมเห็นไหโลกธรรมะนั้นสิ้นได้ถ้าเราสิ้นเราเหลือแต่ธรรมล้วนๆ น, นี่ยมันอยู่ได้สบายสบายถ้ามีแต่โลกกันเดียวไม่สิ้นโลกมันหนักหนักมากมาก ต้องระวังระดับคนที่ปฏิบัติใหม่ปฏิบัติเกา่าปฏิบัติดีอยู่แล้วก็ววพยายามต่อยอดทำให้ดีขึ้นพยายามให้มันสิ้นโลกก็คือหมดโลกให้เหลือแต่ทำรุนล้วนเป็นดีที่สุดในขณะเดียกันถ้ายังไม่หมดทางโลกยังมีอยู่เป็นภาระอ้วนอยู่ก็พยายามให้มันน้อยลงถ้าเป็นภาระน้อยลงพยายามทําให้ตัวเองให้มีสัิจักคือตั้งใจตัวเองให้มีมีเป้าหมายให้ชัดเจนเพรางั้นแล้ว บรรยากาศก็อยู่กับโลกอยู่ไปอย่างนั้นอยู่กับทัรมก็อยู่ไปไอย่า ง, ไ, ไ, งไม่มีสัจจะคือความจริงใจถ้าเรามีสัจจะแล้วมีนจะมีป้าหมายเออถ้าเราอยู่กับโลกได้ตอนนี้แต่ไปเราก็จะอยู่กับธรรมโลกคลองโลกมานานแล้วคองหลังธรรมมั่งอ่ะมันก็เชื่อว่าจะเป็นชนะตัวเราเองมันนั้นก็ขอให้เราต้องลายได้ช่วยอยู่กับอยู่กับโลกก็อาจจะได้อยู่กับทั้งก็อาจได้ถ้าเรารู้จักสองทางนี้แต่ถ้ารู้จากโลกอย่างเดียวลําบากสุดท้ายก็ จา่เราเห็นกันอยู่เกิดแก่เจ็บตายแล้วก็หมดเกิดดับแล้วก็มดมันนั้นสิ่งสําคัญที่สุดก็คือเมื่ออารมณ์เกิดขึ้นแล้วอายรู้จักการเกิดการดับการใดอล้วก็ดูการเกิดกัรดับการเกิดกัรดับแค่นั้นเองขั้วแรงขงเรางหลายก็ดูแค่นี้ดูว่าอะไรเกิดแล้วก็กระดับเกระดับกระดับดูนท่านไม่ได้สนใจเรื่องของนิสิตาจงตมันเกิดอิสระจะอยู่เหนือสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดมันจะดับก็เป็นเรื่องของมัน เพระท่านยุ่เหนือสิ่งเหล่านี้ท่านจริงๆยว่าบุญท่านก็ไม่เอาบาปท่านก็ไม่เอาท่านพอแล้วทนเต็มแล้วท่านเหนือสิ่งเหล่านี้เรียกว่าคนเหนือคนอนั่นคือป้าหมายในการปฏิบัติของเราก็ขอฝากให้เราทั้งหลายก็คอยเป็นค่อยไป อ, อย่าลืมโลกอย่าลืมธรรมโลกก็เอาบ้างแต่เราทำต้องเป็นเรื่องใหญ่ใหญ่ให้โลกใหญ่กว่าธรรมถ้าโลกใหญ่กว่าธรรมก็อย่างที่เราเห็นเหนอยู่ขอให้ เอาทำเป็นใหญ่ยาเอาลงเป็นใหญ่ก็ฝากพวกเราสำหรับวันรุานนี้เอาไว้ถึงตอนนี้น